วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14พฤศภาคมพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ธรรมได้เข้ามาเพื่อมาศึกษา พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้นำเอาคำสั่งคำสอนนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ที่เพิ่งจะได้รับจากการศึกษาจากการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็คือการดับความทุกข์ใจต่งตาง ความทุกข์ที่เกิดในใจเช่นความทุกข์ที่เกิดจากความวิตกกังวลห่วงใยความทุกข์ที่เกิดจากความหวาดกลัวความทุกข์ที่เกิดจากความสูญเสียเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ที่เกิดจากภัยต่าง ที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะนี้มีไว้เพื่อดับความทุกข์ใจเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีไว้เพื่อให้เรา <c oughs> จเจริญในราบยศสรเสริมสุขกันท่านที่เข้าหาธรรมะ เพื่อคิดว่าเพื่อที่จะทำให้ชีวิตร่ำรวยขึ้นได้ยศได้ตำแหน่งมากขึ้นสูงขึ้นได้รับรางวัลอะไรต่างๆได้รับความสุขทางตาหูจมูกมนิ้วกายถ้าคิดอย่างนี้ก็จะผิดหวังเพราะว่าธรรมนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อส่งเสริมให้เจริญในทางโลกกรรม ในทางราบยศสรรเสริญสุขแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้มีไว้เพื่อดับความทุกข์ใจความไม่สบายใจต่างๆนั้นขอให้เราทำความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนเพื่อที่เราจะได้ไม่ผิดหวังและไม่ไปโทษ ธ, ธรรมะว่า ไม่ได้ทำให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้กันธรรมานี้มีไว้เพื่อดับความทุกข์ใจคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทที่มีมากมายกายกองที่บรรจุไว้ในพระไตรปิฎกก็มีถึงแปดมื่นสี่พันธรรมบทด้วยกัน ธรรมะทุกบททุกบาทที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนนี้มีวัต ถ, ถุประสงค์เพียงอันเดียวเท่านั้นเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรน้ำในทะเลไม่ว่าจะกว้างใหญ่ไพศาลมากมายกายกองขนาดไหนก็ตามน้ำในมหาสมุทรนี้ก็มีรสชาติเพียงรสเดียวเท่านั้น ก็คือรถของความเข็มธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันถึงแม้จะมีมากมายกายกองก็มีวัตถุ ป, ประสงค์อยู่เพียงอันเดียวคือการดับความทุกข์ภายในใจให้หมดสิ้นไป เพราะว่าไม่มีอะไรที่จะมีเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจได้มากเท่ากับความทุกข์ความทุกข์นี้เป็นตัวที่จะทาให้ใจนี้ไม่มีความสุขต่อให้ร่ำให้รวยขนาดไหนต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนต่อให้ได้รับรางวัลอะไรต่าง เช่นรางวัลเหรียญทองที่ได้จากการแข่งขันกีฬาต่างๆและความสุขที่ได้จากการเสีรูปเสียงกลิ่นรสพทธภารต่างๆสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ใจได้และจะทำให้เวลามีความทุกข์ใจแล้ว สิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นไม่มีคุณค่าเลยเพราะมันไม่สามารถที่จะทำใจของเรานั้นให้หายทุกได้แต่มีธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นที่จะช่วยทำให้ใจของเรานั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจ ในเบื้องต้นการที่เราเข้าหาธรรมะสันนี้เข้าหาเครื่องดับไฟเครื่องดับทุกข์เหมือนกับที่เราเวลามีไฟไหม้เราก็ไปหาเครื่องดับเพิงมมาดับไฟที่กำลังลุกขึ้นมาธรรมะ ม, มีเพียงหน้าที่เท่านี้เองคือดับความทุกข์ใจ และการที่เราจะดับความทุกข์ใจได้เราก็ต้องเรียนรู้วิธีการว่าเราจะต้องทำอะไรบ้าง <c oughs> เมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้น้อมนำมาไปปฏิบัติ <c oughs> เมื่อเราปฏิบัติแล้ว <c oughs> ไม่ช้าก็เร็วความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในใจ ที่เคยปรากฏขึ้นมาอยู่ในใจก็จะหายไปหมดใจก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร่ำไม่รวยไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่มีลังวี่รางวัลไม่มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ใจจะมีความสุข พอใจไม่มีความทุกข์และเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากราบยศสนเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าชนิดต่างๆอันนี้แหละคือธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบพระพุทธเจ้าท่านก็เคย เป็นเศรษฐีเป็นพระราชามาหากษัตริย์มีทรัพย์สมบัติมีข้าวของเงินทองมีคนสรรเสริญยกย่องยืนยอมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโปรดสภาะชนิดต่างๆแต่ <c oughs> ความสุขเหล่านั้นมันเป็นความสุขที่ไม่สามารถ ที่จะเอามาป้องกันหรือมาดับความทุกข์ใจได้ความทุกข์ใจนี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่มีจำกัดเวลาว่าจะเกิดเพียงแต่เวลานั้นหรือเวลานี้เวลาที่มันจะเกิดขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมาแล้วถ้าไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ใจ มันก็จะต้องทุกข์ทรมานไปกับความทุกข์ไปจนกว่ามันจะหมดกําลังลงไปชั่วคราวแล้วมันก็สงบตัวลงหรือเราอาจจะใช้วิธีเช่นเอาความสุขมาดับความทุกข์กันเวลาเราเกิดเวลาไม่สบายใจขึ้นมาบางทีเราก็เอาความสุข ทางตาหูจมูเกเอ้นกายมาดับมันเช่นไปดูหนังฟังเพลงไปช้อปปิ้งไปเที่ยวไปทำอะไรต่างๆไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะชนิดต่างๆเวลาที่เราไปความรู้สึกไม่สบายใจก็ผ่อนคลายหายไปชั่วคราว แต่พอเรากลับมาเดี๋ยวความไม่สบายใจที่ยังมีอยู่ในใจมันก็จะโผล่ขึ้นมาใหมา่เพราะว่าเหตุที่ทำให้มันเกิดขึ้นมานั้นไม่ได้รับการกำจัดเป็นเพียงแต่เราไปปลบความทุกข์ของใจไว้ชั่วคราว ด้วยการเอาความสุขทางราบยศชเสรสนทางรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมากรบมันชั่วคราวเท่านั้นเองแต่มันก็จะต้องโผล่กลับมาอยู่เรื่อยๆตอนนี้เราก็สู้กับมันแบบนี้กันเวลาเราไม่สบายใจเราก็มักจะไปหาราบยศชเสริน ส, สุขมาดับมัน บางทีก็ดับมันได้ชั่วคราวบางทีก็ดับไม่ได้ก็มีบางทีความทุกข์มันทุกข์มากจะทําอะไรมันก็ดับไม่ได้แล้วนี่คือถ้าไม่มีธรรมะคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่สามารถที่จะ <c oughs> ดับความทุกข์ภายในใจต่างๆ ให้หมดสิ้นไปได้จำเป็นที่จะต้องศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเ<ช>มื่อเราปฏิบัติแล้ว<ช>อันนั้นนะความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในใจเรามันก็จะดับไปหายไปทีละขั้นทีละตอน นี่คือสิ่งที่ถ้าเราต้องการที่จะกำจัดความทุกข์ใจต้องการให้ใจเราอยู่อย่างสบายไม่มีความทุกข์มาลบกวนใจเราก็ต้องศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้ว ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจมันก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปตามลำดับแห่งการปฏิบัติของเราจนในที่สุดความทุกข์ต่างๆมันก็จะหมด yeah. Yeah. เราต้องศึกษาธรรมเรียนรู้ว่าอะไรเราต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างถึงจะทำให้ความทุกข์ใจ ที่มีอยู่นี้หมดไปเขาจะจาก็ทรงสอนว่าเครื่องมือที่เราจะใช้การนับทุกใจนี้ได้แก่การปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญ า, าสามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งก็คือการรักษาศีลต่างๆารักษาศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองยิบเจ็ด แล้วแต <c oughs> ่สถานภาพของเรารักษาศีลได้แล้วเรารักษาศีลแล้วเราก็ไปปฏิบัติสมาธิและปัญญาพร้อมๆกันไปได้ศีล <c oughs> ส, สมาธิปัญญานี่สามารถปฏิบัติไปพร้อมๆกันได้แต่ อาจจะสลับช่วงกันบางเวลาเราก็ปฏิบัติสมาธิบางเวลาเราก็ปฏิบัติปัญญาแต่ศีลนี่เราสเราปฏิบัติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้เราต้องมีการรักษาศีลให้ใจเราบริสุทธิ์ ด, ด้วยศีลเพราะว่า ถ้าเราไม่รักษาศีลเวลาเราทำบาปเราจะสร้างความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นมาไดนเองการทำบาปนี้เป็นเหมือนกับการจุดไฟเผาเผาเผาใจของเราทุกครั้งที่เราทำบาปนี้เราจะสร้างความทุกข์ให้กับใจขึ้นมาทันทีไม่เชื่อลองสังเกต ด, ดู เวลาที่เราไปลักทรัพย์ของผู้<ม>เวลาที่เราไปโกหกหลอกลวงพูดปด<ม>เวลาที่เราไปประพฤติผิดประเพณี<ม>ไปเป็นชู้กับสามีภรรยาของคนนั้นคนนี้<ม><ม>เวลาที่เราฆ่าสัตว์ตัดชีวิต<ม>ใจของเราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจ <c oughs> มีความวิตกมีความกังวล ม, มีความหวาดกลัวต่อต่อบาปที่ได้กระทําไว้เพราะถ้าเราได้ศึกษาเราได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า <c oughs> เราจะรู้ว่าการกระทําบาปนี้มีโทษตามมาต่อจิตใจของเรา ถึงแม้ว่าบางทีกฎหมายอาจจะมาทำโทษเราไม่ได้เพราะบางทีกฎหมายเขาไม่รู้ว่าเราได้ทำอะไรไปแต่กฎแห่งกรรมนี้เขารู้เวลาที่เราทำบาปนี้จะทำให้ใจของเราเสื่อมลงไปเสื่อมลงจากความเป็นมนุษย์ คือทำให้เราเป็นมนุษย์น้อยลงไปแล้วทำให้เราเป็นเปรเป็นเดรัจฉา น, นราหรือเป็นอาสุรกายหรือเป็นนรกมากขึ้นมาตามลำดับอันนี้ <c oughs> เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่จะทำต่อจิตใจของผู้ที่กระทาบาปจะทำให้ใจทุกข์เพิ่มมากขึ้นไป ในขณะที่มีชีวิตอยู่เวลาทำบาปไปแล้วใจจะทุกข์จะร้อนจะไม่เย็นไม่สบาย <c oughs> แล้วเวลาตายไปบาปที่ได้ทำไว้ <c oughs> ก็จะส่งผลให้ไปเกิดเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึง่งในอบายไปเป็นเลขชานบ้าง หรือไปเป็นเปรตไปเป็นอนุสวะกายหรือไปตกนรกอันนี้แหละคือความทุกข์ของใจที่จะตามมาหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเวลาที่เรารู้ว่ามันการทำบาปนี้มีผลต่อจิตใจเราเวลาเราทั้งเผลอแล้วได้ทำลงไป เราจะรู้สึกหวาดกลัววิตกกังวลหรือแม้แต่ทางโลกก็เช่นเดียวกันเวลาเราทำบาปทำผิดกฎหมายเราก็จะกังวลเวลาที่เราเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนีเราจะหวาดกลัวขึ้นมากลัวว่าจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปลงโทษ การทำบาปนี้ไม่ได้ทำให้ใจมีความสุขถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขเดียวเดียวสุขในชั่วขณะที่ได้ทำไปใหม่ๆเวลาได้ขมโมยของมาใหม่ ๆ, ๆก็อาจจะมีความสุขใจดีใจเดียวเดียวแล้วตามมาด้วยความทุกข์ใจความกังวลใจต่าง ๆ, ๆ, ๆขอให้เรามองผล ของการกระทำบาปที่ใจของเราล้วเราจะเชื่อว่าบาปนี้มีการทำบาปนี้มีผลตามมาอย่างแน่นอนไม่ต้องให้เขาจับเราไปลงโทษหรอกบางทีความทุกข์ใจที่เกิดจากการทำบาปนี้มันก็ทำให้เราเหมือนกับไปถูกลงโทษแล้ว นี่คือเรื่องของการทำบาปที่เป็นเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์กันเราพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนถ้าเราต้องการจะดับความทุกข์ใจเราต้องละการกระทำบาปทั้งปวงด้วยการรักษาศีลในระดับต่างๆสุดแท้แต่ว่าเราจะเลือกปฏิบัติในระดับไหน ในระดับทั่วไปในระดับแรกๆ ร, ระดับผู้คลองเรือนเราก็จะรักษาศีลห้ากันเราจะระเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณี <c oughs> พูดปด <c oughs> เดิมของบนเมาต่างๆหรือยาเสพติดยาที่ทำให้เกิดอาการบา้าคลั่งขึ้นมา ขาดสติขึ้นมาเวลาเสพยาที่ทำให้ขาดสติก็เหมือนคนเมาสุราก็จะทำสิ่งที่ไม่ดีต่อผู้อารวาสใช้วาจาที่หยาบคายแล้วก็อาจจะไปทำร้ายทรัพย์สินและทำร้ายร่างกายของผู้อื่นต่อไปได้ ฉันต้องรักษาต้องห้ามไม่ให้ดื่มสุรายาเมาต้องไม่อต้องไม่เสพยาเสพติดที่ทําให้ขาดสติถ้าเราสามารถมีสติถ้าเราสามารถห้ามไม่ให้ดืม่มสุลาได้ไม่ให้เสพยาต่างๆได้ เราก็จะมีสติประคับประคองใจที่จะคอยห้ามเวลาที่ใจคิดที่จะไปพูดไปทําอะไรไม่ดีได้แต่ถ้าเราไม่มีสติถ้าเราดื่มของบนเมาเข้าไปแล้วเวลาที่ใจคิดอะไรมันก็จะปล่อยออกมาเหมือนกับไม่มีคนเฝ้าดูดมันไม่มียามเฝ้า เปิดประตูคุกไว้ mm hmm. เดี๋ยวพวกโจรผู้ร้ายก็ออกจากคุกกันได้ mm hmm. โจรที่ชอบฆ่าก็จะไปฆ่าโจรที่ชอบลักทรัพย์ก็จะออกมาลักทรัพย์โจรที่ชอบไปประพฤติผิดประเพณีมันก็จะไปประพฤติผิดประเพณี mm hmm. โจรที่ชอบโกหกหลอกรวงมันก็จะออกมาโกหกหลอกรวง mm hmm. เพราะว่าประตูหรือคนเฝ้าประตูคุกตารางไม่ ไม่มีนั่นเองสตินี้ก็เป็นเหมือนกับคนที่เฝ้าคุกเฝ้าตารางนี่ใจเรานี้ก็เป็นเหมือนคุกเหมือนตารางส่วนหนึ่งที่เราขังพวกความคิดที่จะไปทำบาปไว้ใจของพวกเราทุกคนนี้ยังมีความคิดที่จะไปทำบาปอยยังคิดที่จะฆ่าสัตว์ยังคิดที่จะรักษัต ยังคิดที่จะประพฤติผิดประเพณียังคิดที่จะโตหกหลอกลวงอยู่เพียงแต่ว่าเรายังอาจจะสามารถควบคุมป้องกันความคิดเหล่านี้ได้แต่บางเวลาบางครั้งถ้าเกิดมีเหตุการณ์มาบีบขันจิตใจเรามากมากความคิดเหล่านี้มันก็อาจจะ โอออกมาได้ยับยังมันไม่ได้ถ้าเราไม่มีสติถ้าเราไปดื่มของมึนเมาไปเสพยาที่ทำให้ขาดสติพอคิดไปในทางที่ไม่ดีมันก็จะไปทำทันทีทำเสร็จแล้วก็จะมาสร้างความทุกข์ให้กับเราดฉะนั้นเราต้องมาคิดถึงความสำคัญของการ รักษาศีลการรักษาศีลนี้มันช่วยเราป้องกันไม่ให้เราต้องไปรับผลของบาปให้เราคิดว่าการทำบาปนี้ถึงแม้จะได้อะไรตามที่เราอยากได้มาแต่มันได้ไม่คุ้มเสียได้แป๊บเดียวได้นิดเดียวได้เดียวเดียวแล้วตามมาด้วยความทุกข์ ที่ไม่รู้ว่าจะยาวนานทักเท่าไหร่ที่ดักหนาสาหัสทักเท่าไหร่ยอมอดดีกว่ายอมตายดีกว่าที่จะไปทําบาป <c oughs> เพราะว่าอย่างมากก็ <c oughs> ทุกข์แค่เดี๋ยวเดียวทุกข์กับความทุกข์ยากลําบากเดี๋ยวก็จบเดี๋ยวร่างกายตายไปมันก็จบแต่ใจก็จะได้ไม่ต้องไปรับผลบาป ที่เกิดจากการกระทำบาปการจะรักษาศีลได้ท่านบอกว่าเราต้องมีฮิลิโอตปะฮิรินี้เป็นแปลว่าความละอายคือไม่ไม่น่าด้านคนที่ไม่น่าด้านนี้จะไม่กล้าทาบาปแต่คนที่น่าด้านนี้ไม่มีอย่างอายนี้จะกล้าทาบาปแต่ให้เรามีความอาย เพราะเรารักษักดิ์ศีของตัวเราะคนเราจะดีไม่ดีนี่ก็อยู่ที่การมีศีลหรือไม่มีศีลนี่เองสังเกตดูเวลาที่เราจะคบใครสักคนหนึ่งนี่จะเกี่ยวข้องกับใครสักคนหนึ่งนี่เรามักจะต้องดูว่าเขามีศีลหรือไม่มีศีลถ้าเขาไม่มีศีลนี้เราก็ ไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับเขาด้วงถ้าเรารู้ว่าเขามีประวัติไปท่าคนมางนี้เราก็ไม่อยากจะคบค้าสมาคมถ้ารู้ว่าเขามีประวัติมีความช่อบโกงมีการรักทรัพย์ของผู้อื่นถ้ารู้ว่าเขามีประวัติในการไปเป็นชู้ของผู้อื่นไ ป, ประพฤติผิด ป, ประเพณี ถ้ารู้ว่าเขามีประวัติเป็นคนที่ชอบโกหกหลอกลวงมีประวัติที่ชอบดื่มสุรายาเมาเสพยาเสพติดถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นคนแบบนี้เราก็จะรังเกียจเขาว่าเรารู้ว่าเป็นคนที่ไม่สวยงามเป็นคนที่ไม่มีศักดิ์ศรีเขาไปก็จะเป็นภัยต่อเราเพราะจะไม่รู้ว่าเขาจะมาทําร้ายเรา เมื่อไหร่นั่นเอง น, นี่แหละคือการที่จะทําให้เรามีความอายเวลาคนอื่นเขามองเราเขาก็จะมองอย่างที่เรามองคนอื่นเขาก็จะมองว่าเรานี้เป็นคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือเปล่าเป็นคนรักทรัพย์หรือเปล่าเป็นคนประพฤติผิดประเพณีหรือเปล่าเป็นคนโกหกหลอกลวงหรือเปล่าเป็นคน เดิมของบุเมาต่างๆเสพยาเสพติดหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนแบบนี้เราก็จะไม่มีคุณค่าในตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องมีความอา ย, อายในต่อการกระทําบาปเพราะว่าทําบาปแล้วมันจะทำให้เรานี้เป็นคนที่ไร้คุณค่าไปเป็นค น, คนที่ไร้ราคา จะไม่มีคนดีที่เขาอยากจะมาคบค้าสมาคมกับเราถ้าจะคบก็คงจะคบกับพวกเดียวกันพวกที่ชอบทำบาปร่วมกันเท่านั้นเอง <c oughs> เราต้องมีความอายไม่อยากจะทำบาปเพราะทำบาปแล้วทำให้เรานี้ไม่มีศักดิ์ศรีในตัวของเราเองแล้วก็ให้เรามีโอตปะ คือความกลัวผลของบาปที่จะตามมาผลของบาปก็เกิดขึ้นตั้งแต่เราทำเลยทำบาปปั๊บนี่ก็เกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจทันทีแล้วก็เวลาตายไปบาปนี้ก็จะพาให้เราไปเกิดในอบายแทนที่เราจะไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้ แทนที่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนเลยก็ยังต้องรอไว้ก่อนต้องรอไปใช้บาปให้หมดเสียก่ อ, น, อนนี่คือเรื่องของการรักษาศีลเพื่อเป็นการดับความทุกข์ใจหรือป้องกันความทุกข์ใจไม่ให้เกิดขึ้ น, นก็มีระดับต่างๆระดับศีลห้า แล้วถ้าเราอยากที่จะดับความทุกข์ที่สูงกว่านี้<ม>เราก็ต้องรักษาศีลเพิ่มขึ้นเช่นถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของเราความทุกข์ที่เกิดจากความคิดที่เป็นอกุศลทั้งหลายความคิดที่เกิดจากความโลภความอยากต่างๆอันนี้เราก็ต้อง เพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าขึ้นมาให้เป็นศีลแปดเพื่อที่เราจะได้ <c oughs> มีเวลาให้กับการปฏิบัติสมาธิและปัญญาต่อไปการที่เราจะปฏิบัติสมาธิและปัญญาได้มากมากนี่เราจาเป็นที่จะต้องมีเวลาด้ว mm hmm. ีการที่จะทำให้เรามีเวลาเราก็ต้อง งดกิจกรรม ท, ที่ที่ไม่ไม่เกิดประโยชน์ต่อการดับความทุกข์ทางใจก็คือกิจกรรมทางการอารมณ์ทางรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าชนิดต่างๆกิจกรรมทางการอารมณ์นี้เป็นกิจกรรมที่จะเสริมสร้างความทุกข์ทางใจได้เพราะว่ามัน เมื่อเมื่อมีกิจกรรมเสร็จทำกิจกรรมทางทางกาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันจะติดเหมือนติดยาเสพติดแล้วเวลาที่มันไม่สามารถที่จะเสรได้มันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเพื่อเพื่อป้องกันหรือเพื่อระงับ ความทุกข์ใจที่เกิดจากการเสพการอารมณ์ต่างๆเราก็ต้องรักษาศีลเพิ่มขึ้นอีกสามข้อจากศีลห้าเราก็เพิ่มให้เป็นสีลแปเพื่อระงับการเสพความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายกันศีลข้อสามของสีลห้าเราก็มาเปลี่ยนเป็น อาป ร, รมัจจาลียแต่ว่าไม่ร่วมหลับนอนกับใครสินห้านี้สินข้อสามในสิลห้านี้ยังอนุญาตให้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้ให้ร่วมเสษเสดการกับสามีกับภรรยาของตนหนึ่งได้อยู่เงียงแต่ห้ามไม่ให้ไปเสดการกับผู้อื่น่นั้นเอง ให้เศตการณ์กับคู่ครองของเราคือสามีและภรรยาของเราแต่ถ้ามารักษาศีลแปดเพราะว่าเราต้องการที่จะปฏิบัติทมในระดับของสมาธิและของปัญญานี้เราจำเป็นที่จะต้องรั ง, งับกิจกรรมทางการารมณ์เพื่อที่เราจะได้เอาเวลาที่เราใช้ กับการทำกิจกรรมทางการอารมณ์นี้มาใช้กับการปฏิบัติสมาธิและปฏิบัติปัญญานั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ที่ละเอียดกว่าความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปศีลนี้ระงับความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปได้แต่ศีลนี้ระงับความทุก จากการทำกิจกรรมหรือทางการอารมณ์มหรือความโลภความโกรธความหนุงไม่ได้จำเป็นที่ต้องอาศัยการรักษาศีลแปดและการปฏิบัติสมาธิและปัญญาตามลำดับนี่คือศีลไลศีลที่ระดับสูงขึ้นก็คือศีลแปด คือให้เพิ่ม <c oughs> เพิ่มอีกสามข้อแล้วเปลี่ยนข้อที่สามของศีลห้ามาเป็นอบร ม, มจาริยา <c oughs> ก็คือการไม่ร่วมหลับนอนกับใคร <c oughs> แล้วก็เพิ่มศีลข้อหกไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว <c oughs> แล้วก็ศีลข้อเจ็ดก็ไม่ให้หาความสุขจากมหรสมมหรสสบันเทิงต่างๆและ การเสริมสวยความงามทางร่างกายด้วยเสื้อผ้าผ่อนด้วยเครื่องสำอางด้วยเครื่องน้ำมันน้ำหอมต่างๆแล้วก็ไม่ให้นอนมากจนเกินไปโดยให้นอนบนเตียงที่ไม่มีฟูกให้นอนบนเตียงหรือพื้นที่แข็งๆไม่ให้นอนบนเตียงสำลาญ ที่มันจะสบายเกินไปพรามันจะทำให้นอนมากเกินไปให้นอนพอพักผ่อนร่างกายได้ถ้าร่างกายพักผ่อนพอแล้วถ้านอนบนพุ่งหนาๆเวลาตื่นขึ้นมามันจะไม่อยากจะลุกอยากจะนอนต่ อ, อก็จะทำให้เสียเวลาของการปฏิบัติธรรมไปมต้องให้นอนบนฟื้น พื้นที่ไม่สบายเช่นพื้นแข็งๆ ป, ปูผ้าปูเสือ่อไว้ก็พอและนี่คือศีลแปดศีลแปดนี้จะช่วยลดความทุกข์ที่เกิดจากการไปเสกกามความทุกข์ที่จะเกิดจากการไปร่วมหลับนอนกับแฟนมันจะอยากเวลาที่ไม่ได้ร่วมหลับนอนแล้วมันจะทุกข์ นีต้องมาฝึกหัดเลิกกันเบื้องต้นเราอาจจะมาถือศีลแปดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก่อนเพราะเราอาจจะยังไม่มีกำลังที่จะไปถือศีลแปดได้ตลอดเวลาการถือศีลแปดนี้ต้องทำควบคู่กับการไปปฏิบัติสมาธิและปัญญาดัางนั้นการถือศีลแปดนี้ควรจะทำในวันที่เราว่างจากภารกิจการงาน การทำงานต่างๆเพื่อที่เราจะได้ไปหาที่ปฏิบัติธรรมพร้อมๆกับการรักษาสีแ8กไปหรือว่าถ้าในเบื้องต้นยังไม่ได้พร้อมที่จะไปปฏิบัติธรรมยังไม่ได้พร้อมที่จะปฏิบัติสมาธิและปฏิบัติตัญญาแต่อยากจะหัดรักษาสีแ8ไปก่อนอย่างนี้ก็ยังทำได้อยู่ แต่เป้าหมายหลักก็คือต้องการที่จะใช้ศีลแปดนี้เป็นเครื่องสนับสนุนในการปฏิบัติสมาธิและปัญญา mm hmm. แต่ถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะไปปฏิบัติสมาธิและปัญญาแต่เราอยากจะฝึกรักษาศีลแปดไปก่อนก็ทาได้ทาที่ไหนก็ได้ทาวันไหนก็ได้ถ้าเราคิดว่าเราพร้อมที่จะทำ เช่นถ้าเรารักษาที่บ้านได้ถ้าเราไม่ไปทำงานเราทำงานที่บ้านอย่างนี้การรักษาสิญญาจะก็อาจจะเป็นไปได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเราไปต้องไปทำงานนอกบ้านการรักษาสิญญาก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่าเวลาพักเพล่งวันนี้ มันก็เกิดเลยเวลารับประทานอาหารกลางวันไปแล้ว<ม>เพราะการถือสิ่์แปดนี้ก็จะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วนอกจากว่าเรา <c oughs> เราเปลี่ยนเวลาของเราเองเลื่อนเวลาไปชั่วโมงหนึ่งเลื่อนเวลาของการรักษาสิ่งข้อนี้ไปชั่วโมงหนึ่งคือจะไม่รับประทานอาหารหลังจากบ่ายโมงไปแล้ว เนื่องจากว่าต้องทำงานแลวช่วงที่จะหยุดทำงานเพื่อรับประทานอาหารนี่มันก็เป็นช่วงเวลาเที่ยงวันถึงบ่ายโมงก็ขอใช้เวลานี้เป็นเวลาการรับประทานอาหารกลางวันแทนอันนี้ก็ต้องปรับถ้าเราไปทำงานข้างนอกบ้านเราก็ต้องมีการปรับ <c oughs> แล้วเวลาไปทำนอกบ้านก็อาจต้องมีการแต่งเนื้อแต่งตัว ต้องมีการดูแลหน้าตาของเราอาจจะต้องมีเสริมสวยความงามบ้างอะไรทารองนี้เพราะเป็นการเข้าสังคมอันนี้ก็อาจจะถ้าเราทำด้วยความจำเป็นไม่ได้ทำเพราะความอยากทำไม่ได้ทำเพราะความอยากสวยอยากงามก็อาจจะถือว่าเป็นการการรักษาสีแปดไปก็ได้เพียงแต่ว่าไม่เต็มรูปแบบ เพราะว่ามันเหตุการณ์ยังบังคับให้เราต้องแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าแต่งอะไรอยู่เพราะเราต้องไปทำงานต้องเกี่ยวข้องกับคนนี่นี่คืออุปสรรคถ้าเราไปทำงานภายนอกบ้านแล้วเราอยากจะรักษาศีลแปนี้มันก็จะมีสองข้อนี้ที่อาจจะต้องปรับนิดหน่อยปรับความเข้าใจว่าเราไม่ได้ทาเพื่อความสุขใจก็แล้ว เราไม่ได้ทำเพื่อให้เกิดความสุขแต่เราทำเพราะเป็นหน้าที่เป็นความจำเป็นเช่นเราต้องมีใส่ชุดเครื่องแบบใส่อะไรต้องมีการทำหน้าตาของเราให้สาดให้หน้าดูหน้าชมชมันก็เป็นถือว่าเป็นการทำตามหน้าที่ก็ยังไม่ไม่ถือว่ามันเป็นขัดกับหลักของศีลที่แท้จริง หลักของศีลก็คือไม่ให้เราไปแสวงหาความสุข <c oughs> จากการเสริมสวยความงามของร่างกายของเราไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไปก็เลยกาหนดเวลาเทียงวันแต่ถ้าเรามีความจำเป็นว่าเราไม่สามารถกินก่อนเชียงวันได้เพราะเรายังต้องทำงานอยู่เราก็เลื่อนเวลา จัดเที่งวันไปบ่ายโมงก็แล้วกันว่าจะไม่กินอาหารหลังจากบ่ายโมงไปแล้วอันนี้หมายถึงคนท่านที่อยากจะลองรักษาศีล8ไปแต่ยังต้องไปทํางานอยู่นอกบ้านก็อาจจะต้องปรับความเข้าใจกับศีลสองข้อนี้ศีลข้อหกับศีลข้อเจแต่ถ้าทํางานของเราเองที่บ้าน นี่เราก็อาจจะสามารถรักษาได้เราก็กินอาหารก่อนเที่ยงวันกินสักสิบเอดมงคึ่งอย่างนี้ก็ได้เพราะเราไม่มีเวลาตายตัวแล้วเราก็อยู่บ้านก็ไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามอะไรต่างๆเพียงแต่ใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยเอล้างหน้าล้างตาวีผข้าวีผมให้มันดูสะอาดก็พอ เราก็สามารถที่จะรักษาศีลแปดไปได้ถ้าเราทำงานที่บ้านเด <c oughs> ือนนี่ถ้าเราอยากจะลองรักษาศีลแปดไปก่อนดูซิว่าเรารักษาได้หรือไม่ <c oughs> แล้วถ้าเราอยู่ที่บ้านทำงานที่บ้านเราก็า จ, จะ <c oughs> มีเวลาว่างตอนไหนเราก็ลองมาฝึกนั่งสมาธิดูหรือ <c oughs> ถ้าอยากจะเจริญปัญญาก็เปิดธรรมะ ฟังเทศฟังธรรมที่มีมีบันทึกไว้ในวิดีโอต่างๆอันนี้เราก็สามารถปฏิบัติธรรมไปได้แต่จะทำได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเวลาว่างมากหรือน้อยถ้าเราต้องทำงานเวลาที่จะเอามาให้กับการปฏิบัติธรรมมันก็จะมีน้อยฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ ถ้าอยากจะมีเวลาเต็มที่ให้กับการปฏิบัติสมาธิปฏิบัติปัญญาให้กับการรักษาสิ่งแต่นี้ก็เราก็ควรที่จะทำกันในวันหยุดทำงานจะดีกว่าเป็นวันที่เราจะได้ไม่ต้องอเราจะได้มีเวลามากให้กับการปฏิบัตินั่นเอง เพราการปฏิบัตินี้จะได้ผลมากหรือผลน้อยก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราให้กับการปฏิบัติปฏิบัติน้อยผลก็น้อยปฏิบัติมากผลก็มากแต่เราต้องเริ่มต้นถ้าเรารักษาศีลหได้แล้วเราก็ต้องเริ่มเริ่มรักษาหัดรักษาศีลแปดกันไปต้องมีความพยายามทำทีละก้าวไป การที่เราจะทำหลายทีแบบมากๆทีเดียวเราอาจจะทำไม่ไหวแล้วมันอาจจะทำให้เรามีความท้อแท้แต่ถ้าเราทำทีละก้าวนี่มันก็จะไม่รู้สึกยากมากเกินไปเบื้องต้นเราก็ลองมารักษาสีลห้าก่อน <S <S ถ้าเรารักษาสีลห้าทีเดียวทั้งห้าข้อไม่ได้เราก็ลองมาไ ล, ล่รักษาทีละข้อก่ อ, อน ข้อไหนเรารักษาได้ก่อนข้อที่หนึ่งพอรักษาข้อที่หนึ่งได้ก็รักษาข้อที่สองเบื้องต้นก็อาจจะลองรักษาวันหนึ่งก่อนเช่นวันันที่เป็นวันพระนี่เราก็ลองมารักษาสี่ถ้ารักษาห้าข้อไม่ได้ก็เอาเท่าที่เรารักษาได้ห้าข้อไม่ได้ก็สี่ข้อสี่ข้อไม่ได้ก็สามข้อ แต่อย่างน้อยต้องให้มันได้สักข้อนึ่งพยายามต้องมีจุดเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการมีจุดเริ่มต้นเราอย่าไปบอกว่าโอ้ยเราทําไม่ได้มันยากแล้วเราไม่ทําเลยถ้าเราไม่ทําเลยเราก็ไม่มีวันที่เราจะทําได้กันแต่เราบอกว่า อ, อของมันถ้าคนอื่นเขาทําได้เราก็ต้องทําได้คนอื่นเขาก็เป็นคนเหมือนเราเขาก็มีอาการ312เหมือนเราอ เขาทำได้เราก็ต้องทำได้ <c oughs> ที่เราจะมีกาลังทำได้ทีเดียวความกันหรือไม่ก็อยู่ดูที่กาลังของเรา <c oughs> ถ้าเราทำห้ารักษาทีเดียวห้าข้อยังไม่ได้ ก, ก็รักษาข้อที่เรารักษาได้ไปก่อนในวันนั้นในวันพระตอนต้นก็รักษาในวันพระก่อน <c oughs> แล้วค่อยๆเพิ่มจากจาก หนึ่งข้อเป็นสองข้อเป็นสามข้อจนกว่าเราจะรักษาสีห้าได้ครบห้าข้อในวันพระพอรารักษาสีห้าครบได้ใน <c oughs> ในวันพระแล้วเราก็มาเพิ่มวันต่อเพิ่มจากออหนึ่งวันมาเป็นสองวันจากสองวันมาเป็นสามวันค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบเจ็ดวัน เพื่อที่เราจะได้รักษาสินห้าได้ครบตลอดเวลาทุกวันทุกเวลาเื <Yeah. S 1> ่อตอนนี้ต้องเอาการรักษาสินค่าให้ได้เต็มเต็มร้อยก่อน <Yeah. S 1> ทำข้อสอบคือสินห้านี้ <c oughs> ให้ได้เต็มร้อยก่อน <Yeah. S 1> ต้องทำให้ได้ทุกวัน <Yeah. S 1> ทุกเวลา <Yeah. S 1> แล้วถ้าเราสามารถรักษาสินห้าได้ทุกวันทุกเวลาแล้ว ทีนี้เราก็มาเพิ่มให้เป็นศีลแปดในวันพระ ใ, ในวันพระเราก็มาเริ่มเพิ่มศีลแปดกันอาจจะไม่ได้เพิ่มทีเดียว <c oughs> ทั้งสามข้อก็อาจจะเพิ่มขึข้นมาทีละข้อก็ได้เปลี่ยนข้อสามจากการไม่ประพฤติผิดประเพณีมาเป็นการไม่ประพฤติการร่วมหลับนอนกับแฟนก็ได้หรือจะเพิ่ม สองข้อก็เพิ่มศีลข้อหกจะงดการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว <c oughs> แล้วก็รงงับการทำกิจกรรมทางมหรัรสมบันเทิงต่างๆรงงับการเสริมสวยความงามของร่างกายอันนี้ก็ดูกำลังของเราว่าเราจะทำได้ทีละกี่ข้อ พยายามทำไปฝึกไปทำตามกำลังของเราแล้วมันจะไม่รู้สึกยากจะไม่รู้สึกย่อท้อแต่ถ้าเราจะทำทีเดียวพร้อมกันหมดกำลังเราอาจจะไม่พอก็ได้เราก็เลยต้องค่อยๆทำไปตามกำลังของเรา <S S เพิ่มไปทีละข้อเพิ่มไปทีละข้อเพิ่มไปทีละวันอันนีถ้ถ้าจะรักษาศิ้นแปดแล้ว ปฏิบัติธรรมควบคู่ไปด้วยปฏิบัติสมาธิปฏิบัติตัญญา <c oughs> ก็ต้องทําในวันที่เราว่างจากภารกิจการงานต่างๆไม่ต้องทํางานทําการเพราะว่าเราจะได้มีเวลาเต็มที่มาให้ใช้กับการรักษาศีลและปฏิบัติธรรมกันถ้าถ้าเป็นไปได้ถ้าเรา ถ้าเราไม่มีที่ที่สงบที่บ้านถ้าเราอยู่คนเดียวที่บ้านเราก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปหาที่นอกบ้านเพื่อไปปฏิบัติธรรมก็ได้แต่ถ้าเราอยู่ในบ้านกับคนอื่นแล้วคนอื่นเขายังไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติธรรมเหมือนเราถ้าอยู่กับเขามันก็จะทำให้เกิดาการขาดกัน เขาก็ยังทํากิจกรรมอะวยต่างๆอยู่แต่เราไม่ทําเราก็จะอยู่ด้ยวยกันลําบากเราก็อาจจะต้องไปหาที่ที่ให้เราได้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ก็ไปตามวัดปฏิบัติต่างๆวัดป่าวัดปฏิบัติวัดป่ า, ว, ปาวัดเขาวัดอะไรที่มีการปฏิบัติมีสถานที่ที่เขาจัดให้เราไปอยู่เราไปปฏิบัติธรรมตามลาพังของเรา อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องต้องหัดทำกันให้ได้ถ้าเราอยากจะกำจัดความทุกข์ทางใจของเรานี้ให้มันหมดสิ้นไปมันไม่มันไม่ได้หมดไปจากความต้องการความปรารถนาของเราหรือเกิดจากศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงอย่างเดียวความเชื่อนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเชื่อคาสอนแต่ต้องเอาคาสอนที่เราเชื่อนี้ไปปฏิบัติ มันถึงจะทำให้เกิดผลคือการดับความทุกข์ต่างๆได้แต่ต้องเกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเมืองตนก็พยายามรักษาศีลให้ได้ไปตามกำลังของเราตั้งแต่ศีลห้าขึ้นไปถูงศีลแปดแล้วพอ ร, รักษาศีลแปดได้เราก็หาที่สงบที่เงียบๆที่ไม่มีอะไรมาลอกลวนใจ เพราะการจะทำสมาธินี้จะต้องไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจนั่นเองไม่มีเสียงไม่มีคนไม่มีอะไรรอบข้างไปอยู่กับส่วนที่เป็นธรรมชาตินี้จะดีที่สุดธรรมชาตินี้จะไม่มารบกวนการบำเพ็ญการทำใจให้สงบการนั่งสมาธิของเราออพอถ้าเรา ถึงวันวันวันหยุดของเราเราก็ไปหาที่ปฏิบัติกันไปอยู่ที่ปฏิบัติกันแล้วก็ไปรักษาศีลแปด <c oughs> แล้วก็ไปหัดนั่งสมาธิกันตั้งทําใจให้สงบเพราะการเวลาที่เราทําใจให้สงบนี้ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆจะหายไปชั่วคราว เหมือนกับเวลาที่เราอยู่ข้างนอกที่มันร้อนจัดนี้แล้วเราเข้าไปอยู่ในห้องปรับอากาศเนี่ยพอเข้าไปในห้องปรับอากาศแล้วมันก็จะรู้สึกเย็นสบายขึ้นมา <c oughs> ใจของพวกเรานี้ <c oughs> เวลาที่ไม่ได้เข้าสมาธินี้มันก็ร้อนกับความทุกข์ต่างๆร้อนกับเรื่องนั้นร้อนกับเรื่องนี้แต่พอเราทําใจให้สงบได้หยุดคํา หยุดความคิดอยู่ความทุกข์ต่างๆได้ใจก็จะเย็นใจก็จะสบายมีความสุขขึ้นมาดั น, นสิ่งที่เราต้องฝึกหัดทำกันให้ได้ก็คือทําอย่างไรทําให้ใจของเราสงบทำให้ใจเรานิ่งให้เป็นสมาธิขึ้นมาการที่เราจะทำให้ใจเรานิ่งทำให้ใจเราสงบได้นี้เราจำเป็นที่จะต้องมีตัวที่คอยหยุด หยุดใจตัวที่หยุดใจนี้เราเรียกว่าสติสตินี้เป็นตัวที่คอยหยุดความคิดต่างๆถ้าหยุดความคิดได้ก็จะหยุดใจทําให้ใจให้นิ่งทาให้ใจเป็นสมาธิขึ้นมาได้ถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิไปยังไงใจก็จะคิดพุ่งไปเรื่อยๆคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ ให้ดูลมหายใจก็ดูได้เพียงแวบเดียวให้บริกรรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธได้คำสองคาแล้วก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่มีสติมันจะนั่งสมาธิแล้วไม่เกิดผลอะไรเหมือนกับไม่ได้นั่งแล้วมันก็จะทำให้เกิดความท้อขึ้นมาได้นั่งแล้วไม่ได้ผลเวลาทำอะไรแล้วไม่ได้ผลนี่มันก็จะทำให้เราไม่มีกาลังใจ เป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีนั่งสมาธิที่ถูกท่องนั่นเองเราอาจจะคิดว่านั่งง่ายๆนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปหรือดูลมหายใจไปวิธีทํามันง่ายแต่เวลาทําจริงๆมันจะทําได้มากน้อยเพียงายต่างหากที่เป็นตัวสําคัญเราอาจจะถ้าเราไม่ฝึกสติมาก่อนนี้เราอาจจะนั่งแล้วพุโทโธได้เพียงไม่ถึงนาทีเดียว พุทโธได้ไม่กี่คำก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วดูลมหายใจได้ไม่กี่ครั้งก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้แล้วเพราะใจเราไม่เคยหยุดคิดนั่นเองเพราะไม่มีสติคอยควบคุมใจเราก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิกันงั้นเบื้องต้นก่อนที่เราจะมาฝึกนั่งสมาธิได้นี้เราต้องฝึกหยุดความคิดให้ได้ก่อนเึ่งการหยุดความคิดนี้เราสามารถทาได้ทั้งวันทั้ง ทุกเวลานาทีตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจ <c oughs> นถึงเวลาเราหลับเลยเนี่ยในเช่นพอเวลาเราตื่นปป๊บนี้ธรรมดาเราจะคิดขึ้นมา ท, าทันทีคิดว่าเอ้ยเราอยู่ตรงไหนเวลาไหนจะทำอะไรดีเนี่ยต่อไปเราก็เปลี่ยนเราพอตื่นขึ้นมาเราก็คอยคุมความคิดอย่าปล่อยให้มันคิดคิดเท่าที่จำเป็นคิดให้รู้ว่าวันนี้เป็นวันอะไรจะต้องทาอะไรอยู่ที่ไหน คิดได้บ้างแต่อย่าปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดเวลาที่มันจะไปคิดถึงสิ่งที่เรื่องไม่จำเป็นต่างๆเพื่อให้หยุดมันด้วยคาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปต้องคอยพยายามใช้คาบริกรรมพุทโธอยู่เรื่อยๆทั้งวันไม่ว่าเราทำภารกิจอะไรนะที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็อย่าปล่อยให้มันคิดถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่เราจะต้องคิดก็อย่าปล่อยให้มันคิด ให้มันหยุดคิดให้ฝึกให้มันหยุดคิดให้มัน ใ, ให้มันรู้เฉยเฉยให้ใจเรารู้เฉยเฉยรู้ว่าเรากําลังทําอะไรแต่ไม่ต้องคิดรู้ว่าเรากําลังเดินรู้ว่าเรากําลังยืนรู้ว่าเรากําลังนั่งรู้ว่าเรากําลังรับประทานอาหารรู้ว่าเรากําลังเดินจงกรมรู้ว่าเรากําลังนั่งสมาธิเป็นต้นให้รู้เฉยเฉยแต่อย่าให้คิดถ้าคิดก็ต้องใช้พุทโธพุทโธคอยหยุดมัน ถ้ามันหยุดคิดแล้วก็หยุดพุโทโธได้พอมันเริ่มคิดแล้วก็พุโทโธขึ้นมาใหม่เราต้องทาอย่างนี้ไปก่อนจนกว่าเราจะเคะสามารถหยุดความคิดต่างๆได้ตอนนั้นหละเราถึงจะค่อยมานั่งสมาธิเพราะการที่ใจของเราจะนิ่งสงบเป็นสมาธิได้นี้เราต้องนั่งเฉยๆเพราะถ้าเรายังไม่นั่งเฉยๆแลวยังเดินเดินไปเดินมายังทานู่นทานี่อยู่ ใจมันจะยังไม่หยุดทำงานใจมันยังนิ่งไม่ได้จะทำให้ใจนิ่งร่างกายต้องนิ่งก่อนต้องนั่งต้องทำให้ร่างกายนี้นั่งเฉยๆก่อนนั่งเฉยๆแล้วทีนี้เราก็มาคอยควบคุมความคิดหยุดความคิด mm hmm. ด้วยการนั่งแล้วก็บรรยกรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือถ้าเราจะใช้ดูลมหายใจก็ดูที่ปลายจมูก ด, ดูเวลาลมเข้าดูเวลาลมออกดูที่ปลายจมูก ดูเฉยๆให้รู้ว่าตอนนี้ลมเข้าล ม, ลมออกเท่านั้นเองอยากคิดเนี่ยพยายามดูไปอย่างนี้ไปถ้าเราสามารถบังคับใจให้ดูลมหรือให้อยู่กับพุทโธโดยไม่คิดอะไรเดี๋ยวใจมันก็จะ <c oughs> <c oughs> นิ่งสงบขึ้นมาเองเวลามันนิ่งสงบนี้มันก็เหมือนกับจะตกจากที่สูงลงมามันก็จะวุบลงมาแล้วทุกอย่างก็จะนิ่งสงบ คำปฏิกรรมพุโทโธก็จะหายไปลมที่เราดูก็จะหายไปเหลือแต่ความว่างเหลือแต่ใจที่เย็นที่สบายเหลือแต่สัตธรรมว่ารู้เหลือแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นปรากฏการณ์ที่มหัศาลใจอย่างยิ่งที่เราไม่เคยพบมาก่อนแล้วความทุกข์ใจความวุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปหมดเลย ใจจะว่างจากความทุกข์ในขณะที่อยู่ในสมาธิใจจะเย็นใจจะสบายในเบื้องต้นนี้อาจจะสงบเพียงเดี๋ยวเดียว<ม>เรียกว่าคณิกะสมาธิ<ม>เพราะกำลังของสติมีอย่างไม่มากพอพอเราได้เห็นประโยชน์จากการฝึกสติแล้วหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาที่นี้เราก็พยายามที่จะใช้สติให้มากขึ้นควบควุม ควบคุมความคิดให้มากขึ้นคอยหยุดความคิดให้บ่อยขึ้นเพ <c oughs> ื่อที่จะได้กลับไปนั่งสมาธิใหม่ <c oughs> เพื่อให้มันสงบให้ได้นานขึ้น <c oughs> นานขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> นี่แหละคือวิธีการฝึกสมาธิเพื่อทําใจของเราให้สงบ <c oughs> ให้ใจของเรามีความสุขมีความเย็นมีความสบายใจพย <c oughs> ายามฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนท่านสมาธิหลงจนให้ชํานาญถึงกับ เวลาที่เราต้องการเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้ให้อยู่ในสมาธิได้นาน เ, นเป็นสิบสิบนาทีเป็นสามสิบสี่สิบห้าสิบนาทีหรือเป็นชั่วโมงก็ได้ให้เราฝึกสมาธิให้จำนานให้เราดับความทุกข์ด้วยสมาธิไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเวลาที่เราออกจากสมาธิมาถ้าเราอยากจะใช้ปัญญาดับสมาดับความทุกข์ใจเราก็มาศึกษาทางปัญญา องต้นก็อาศัยการฟังเทศฟังธรรมไปก่อนฟังธรรมที่เกี่ยวกับการดับความทุกข์ใจว่าวิธีดับความทุกข์ใจด้วยปัญญาดับอย่างไรอันนี้ก็ต้องศึกษาไปขั้นของปัญญาต่อไปนี่คือวิธีการดับทุกข์ต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงสอนชาวพุทธเราให้มาปฏิบัติกัน โดยที่เป็นวิธีดับทุกข์ที่ไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากเพราะไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไม่ต้องอไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้มาช่วยเราดับทุกข์เราดับทุกข์ได้ด้วยตัวของเราเองด้วยอัตตาหิอาตาัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนสิ่งที่เราต้องมีก็คือเวลาให้กับการปฏิบัติและให้สิ่งที่เราต้องมีก็คือศรัทธาความเชื่อใน ธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นเองเมื่อเรามีศรัทธาและเราน้อมเอาคำสอนนี้มาปฏิบัติเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้พบกับการดับของความทุกข์ภายในใจของเรานี่คือสิ่งที่เราต้องนําเอาไปปฏิบัติให้ได้คือศีลสมาธิและปัญญาถ้าเราปฏิบัติได้แล้วความทุกข์ในใจต่างๆก็จะหมดสิ้งไปอย่างแน่นอน นี่คือเรื่องราวของธรรมะคำสอนที่นำเอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร <c oughs> ยฮทวาเลวากูราปราิภุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกาปะต อิช um ิตังปัตถิตังตุมหันคิดเป็นวาสุเชาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันทุปนาละโสยธาณิโชติอะโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสตุ มาเตผวะตวันตระโยสุขีทีขาโยโกผวะอะิวะธนศีลิสสานิจังวุฒาปจายโนจตตารุธรรมวาทานติอายุวานุสุขังพะลัง <c oughs> ลําดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามถ้ามีคำถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ า, ถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ท่านที่มีมือถือก็ส่งเข้ามาทางมือถือก็ได้อันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่ กลับเรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมะหน้ากดจากทางเฟ e บุ๊กพระอาจารย์สุชาติ456ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์273 YouTube ดร V 74วิทยุออนไลน์6คลับ h o าส e 15หน้ากด108รวมทั้งสิ้น932ท่านค่ะ <c oughs> คำถามจากทางเฟ e บุ๊กค่ะ เรานั่งสมาธิจนจิตรวมเป็นอุเบกขาจะยังสามารถได้ยินเสียงจากสิ่งแวดล้อมได้ไหมคะก็มีสองแบบแบบได้ยินก็มีแบบไม่ได้ยินก็มีแตบบ่จิตก็เป็นอุเบกขาก็คือจิตเฉยๆได้ยินเสียงก็ไม่รู้สึกมีอารมณ์กับเสียงที่ได้ยิน คำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะเมื่อเราใส่บาทและพบธนาบัตรในบาทของพระเ ร, เราควรกำหนดความคิดอย่างไรดีครับอะไรนะถ้าเราใส่บาทและเราพบธนาบัตรเงินนะคะในบาทของพระเ ร, เรื่องของเขาเหไม่ใช่เรื่องของเราเลย <c oughs> เวลาเห็นเงนินในกระเป๋าเราคิดยังไงอ่ะไอ <c oughs> เงินกระเป๋าของคนอื่นก็เรื่องของคนอื่นเขาเ <c oughs> อะไรไวะไปอยู่กับเรื่องชาวบ้านขึ้นมาคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะสิ่ทั้งห้าข้อถือเป็นถือเป็นสิ่งที่ควรถือปฏิบัติแต่อยากทราบว่าข้อใดที่ถือเป็นข้อสำคัญที่สุดและกําหนักที่สุดเจ้าค่ะก็ข้อหนึ่งะมันตามตามลำดับหนึ่งสองสามมาข้อหนึ่งรักที่สุดการฆ่าเพราะชีวิตนี้เป็นของที่มีคุณค่ามากที่สุดลองลองมากลักทรัพย์ของผู้่ ลองลงมาก็ไปประพิตต์ประเพณีลองลงมาก็ไปโกห ก, ลกหกลอกก็ลองแต่โกหกนี้ก็ไม่แน่นะโกหกแล้วไปทำให้เสียหายมากน้อยก็อันนี้ก็ไปห ล, ลอกลวงเป็นชาวบ้านเขาเป็นร้อยล้านพันล้านเงมันก็หนักเหมือนกัน <c oughs> ดูที่ความเสียหายเป็นหลักความเสียหายมากมันก็จะโทษก็จะหนัก ความเสียหายน้อยโทษมันก็จะเบาคำถามสักทางหน้ากูดค่ะกลับนมสัส ก, การพระอาจารย์เคยเห็นกระแส พ, พุ่งออกนอกคืออะไรคะคนททำอย่างไรคะว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังนั้นตาอะไรวะเ่อย่ า, ยาไปสนใจค่ะคำถามข้อที่สองค่ะ นึกพระพุทธรูปใหญ่แล้วย่อลงเล็กแล้วจิตสงบลงท่านมีคำแนะนาอย่างไรคะถ้ามันสงบก็ใช้ได้นะถ้ามให้จิตสงบก็ใช้ได้คำถามจากทางเฟซบุ o กค่ะได้ยินว่าตอนพระอาจารย์ไม่สบายใช้ธรรมะโอสถรักษาตอนที่ร่างกายเจ็บป่วยมากๆพระอาจารย์มีวิธียังไงในการแย่ความเจ็บป่วยค่ะ ในการแยกความเจ็บปวดเจ็บปวดทางร่างกายออกจากจิตคะก็รู้ ว, ว่ามันไม่คนละมันไม่ใช่เรามันก็เป็นเหมือนกับเสียงที่เราได้ยินความเจ็บปวดมันก็เป็นของที่มันอยู่ที่ร่างกายส่วนเราก็คือใจผู้รู้แล้วก็ให้รู้ไปเฉยๆนั่นเอง YouTube, ค่ะคำถามจากทาง y o u t u ด็อกตอร์ค่ะ หนูสามารถดาวโหลดไฟล์เสียงของหลวงปู่หลวงตาที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วนำมาทำเป็นหนังสือแจกหรือเอาไว้อ่านเองได้ไหมคะหนูไม่รู้จะไปขออนุญาตใครคะ่ะก็ต้องไปติดต่อทางวัดเ้านยท่านอะอยู่ที่วัดไหนก็ลองไปถามที่วัดเขาว่าเขามีเขามีต้องขออนุญาตหรือไม่อย่างไรถ้าเราต้องการแล้วส่อได้เนี่ยท่านเป็นพระถ้ า, าเราก็จะรู้ว่าท่านพระอยู่วัดไหน แล้วก็ติดต่อไปที่วัด น, นัด้นดูขออนุญาตทางวัดเขาไปเพื่อให้มันจะได้ถูกต้องค่ะคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะมีข้อสงสัยบางคนบอกว่าเวลาใส่บาตรถ้าเรานั่งรับพรคนบางคนว่าพระท่านจะอาบาตจริงหรือเปล่าคะไม่รู้เหมือนกันนันี้ก็มันเป็นเรื่องทิปจ้อยนะอย่าไปกังวลอย่ันเลย ค่ะคำถามจากทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติค่ะถ้าเผลอหลับระหว่างฟังเทศบาปหรือไม่คะไม่บาปมันจะไม่ได้บุญนะยังไม่มีคำถามค่ะโอเคถ้าไม่มีก็คิดว่าเอาท่านี้ก่อนนะขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไป พ, ไพิจารณาไปปฏิบัติ